ดันลนะคะค่ะของคุณนี่ก็ออกจะแบบแอคชั่นเทรลเลอร์แอคชัน่นเทรลเลอร์บบว่ า, าขวา<ด>ัญชวนดันอยแบบอบมีแบบจังหวะที่แบบคือจังหวะมีกรีดอะโดยเฉพาะคนขวัญออดดิันป้ารู้สึกเหมือนใครก็เห็นคุณเนะ่เขากรีดนแ่แหละเออนั่นแหละถูกมันนี่ของป้านี่ดราม่าเข้มข้น The Wife นะภาษาไทยคือเมียโลกไม่จำสสแสดงว่าสแสแดงว่าเป็นเมียแบบโลคลืมเนี่ยเหรอไม่มีใครจำนางได้ใช่โลกนะไม่จดไม่จำเธอเหรอกเพราะเธอมันเป็นคนไม่น่าจดจำเออเอเออเอะกำกัดเลยเชื่อบิยอนรุนน ะ, ะเป็นคนสวีเดนว่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะแต่ไม่ใช่เมริกันนะเนาะทีนี้ตัวเอกของเรื่องก็คืออย่างที่บอกก็คือ ถ้าพูดถึงเรื่อง The Wife เนี่ยเมียโรคไม่จำเนี่ย<ล>ก็จะต้องมีแต่ชื่อคุณเก้นโคลสเกรนโคลสอยู่ตลอดเวลา<ม>เพราะว่าเธอได้รับเข้าชิงเออรางวัลรางวัแสดงน้ำ น, นักแสดงนำเ <S: S 1> พราะนั้นเรื่องนี้คือเป็นตัวเอก<ค>และในเรื่องคือเล่นแบบมินิมอลแบบว่าเล่นน้อยๆเล่นดูตาดูหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันแฉนมันมันอดมันจะ ฝันแล้มีตัวเองกุยหน้าตอนนันเอาจีเป็นเมียใครก่อนคือเรื่องของเรื่องนะก็คือว่าก็เป็นสามีภรรยากันอยู่กันจนแก่จนเฒ่าก็ดูลากกันดีเนี่ยเอาเปิดฉากมาก่อนมาก็คือในในเรื่องเนี้ยตอนนี้คือแก่แล้วก็อายุต้องจะขึ้นเลขเจ็ดกันจะหกหกสิบเนี่ยนะก็จะมีฉากว่าแบบตื่นเต้นฝ่ายสามีทุรนทุลายนะ่สามีชื่อโจเซฟโจเซฟ c า s t ทอร์แนนะก็ทุรนทุนลายแบบรอลรุ้นๆว่าจะได้รับดูเวลพรายหรือเปล่านะอ๋อเป็นเมียของ ว่าที่แคดโนมมนีที่จะได้รับางวัลโนเบลไพรส์ถูกต้องในในในในประเภทแบบว่านักเขียนเพราะฉะนั้นอ๋อก็คือมีสามีที่เขาเรียกว่าอะไรมีทำงานอันทรงคุณค่าไม่ใช่แบบกะโหลกกลาโอ้โหโนเบลไพรส์นะครับคุณเขาก็ทุลนทุลายแบบโอ้ยแล้วแก่เครียดด้วยกันมีอะไรกันอ้าต่เจ็ดะประมาณนั้นแล้วฝ่ายผู้ชายก็แบบนะเครียดอะ แล้วผู้หญิงก็บอกกันเขาว่าไม่อ่ะไม่ไม่มีอารมณ์นะนนสุดท้ายก็อเอาอนะมีอย่างนี้อีกนะอันนี้เปิดฉากจริงๆริ้นะไอ้ฉากเปิดเรื่องตัวนี้เนี่ยนะมันสะท้อนอะไรบางอย่างด้วยนะว่าแบบว่าคือเหมือนเหมือนคนที่เป็นเป็นภรรยาเนี่ยคือยอมอะอะไรคือรักอะคืออ่ะ มีอารได้อะไรก็กจัดให้ก็จัดให้หมดก็ไม่ได้คัดอขัดใจอะไรก็โอเคโอเคแล้วพอมีอะไรเสร็จสามเดียบรักก็พักหนึ่งก็มีโทรศัพท์มาค่ะแล้วก็ได้รางวัลโอ้โหก็กระโดดโลดเต้นดีใจกันบนที่นอนนะนะแบบกระโดดเต้นโยงโยงเหมือนเด็กๆเหมือนวัยรุ่นเลยอะ่ะก็ดีใจกัน แล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มของกระบวนการที่แบบว่าสองสามีภรรยาบวกลูกชายหนึ่งคนคือลูกสาวท้องก็เลยไปไม่ได้ครอบครัวนี้จะเดินทางไปรับรางวัลที่สว mm ีเดนนะโนเบิลพรายนั้นในในเรื่องนี้นะเอาเอาถ้าบรรยากาศโดยวรวมเราจะเห็นกระบวนการว่า เขาจะรับโนเบลไพเนี่ยจะต้องทยางมีอะไรบ้างเนี้ยมีมาร้องเพลงอ่าซันตาลูเซียบนที่นอนเลยเดินเข้ามามีใครมาเป็นเหมือนตัวแทนเหมือนเป็นผู้นำรางวัลเหมือนเป็นทีมงาน่ะเหมือนเป็นแบบว่า เอ่อพร้อมอาหารเช้าพร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามากันที่บ้านหรือที่โรงแรมที่โรงแรมพอไปถึงแล้วที่พอไปถึงแล้วในคืนแรกเลยก็สแตนเซียมาเลยร้องแบบว่าเหมือนแล้วก็มีของขวัญมีอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ทางนั้นสองสามีภรรยาก็งวงเงี้นหลิกลากๆอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมีอย่างงี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีกระบวนการะแยกจะมีหมดสองคนผมเนียก็คือเป็นอเมริกันเป็นอเมริกันไปรับรางวัลที่สวีเดนเนาะ บวกไปลูกชายคนทีนี้อันเรามาดูตัวละครนะหนึ่งก็มีโจนก็คือภรรยาโจเซฟก็คือสามีที่จะได้ราง ว, าลวัลมีลูกชายซึ่งอยากจะเป็นนักเขียนเหมือนพ่อค่ะย้ําอยากเป็นนักเขียนเหมือนพ่อแล้วก็ส่งส่งเรื่องไว้ให้พ่อคอมเมนต์พอยังไม่คอมเมนต์สักทีนึ่งมีนักข่าวที่ตามไปค่ะนักข่าวที่ตามไปที่จะขุดคุยที่จะขุดคุยว่า แต่อันนี้ในในอันนี้ป้าไม่ได้สปอยนะเพราะว่าในหนังตัวอย่างเขาเขาก็จะพูดเป็นเหมือนว่าตกลงผู้ชายเนี่ยสามีนี่เขียนจริงหรือภรรยาเขียนเพราะมันมีการมันมีการเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนสืบดูข้อมูลว่า <c oughs> เฮ้ยผลงานของเขาเนี่ยมันจะมีชื่อ The ะน t h e ดอะนเนี่ยในในเรื่องเนี่ยคือตัวสามีชอบกินถั่วโดยเฉพาะถั่ว w a l น u t นะอ่ะน ะ, น ะ, นะก็เขาบอกว่าผลงานเนี่ยเริ่มดีขึ้นแบบ เป็นกล้าพุ่งขึ้นเลยหลังจากที่แต่งงานกับโจนแล้วเพราะนั้นมันเป็นประเด็นที่ ม, มันน่าสงสัยเหมือนกันคือก่อนนั้นนงงานก่อนนั่ายๆงาแต่พอแต่งงานปุ๊บ ใหงาทำไมมันดีแบบเขย่งก้าวกระโดดเลยก็ไม่แปลกนี่ได้คู่ชีวิตที่ดีอ่ะประมาณนั้น<笑><笑>ประมาณนั้นก็ทะเละไรจงมือกันขึ้นสูที่สูงเอออะไรอะไรอะไรอย่างนั้นน ะ, ะก็เขาก็สงสัยไงค่ะ <c oughs> และบีตัวละครอีกตัวหนึ่งเก่ๆก็คือตากล้องสาวสวย <c oughs> ชาวสวีเดนที่จะคอยถ่ายรูป พอพอไปถึงสวีเดนเนี่ยเธอไม่ไมไม่แอบไม่ไม่ไม่แอบไม่แอบเลยก็คือคนนี้เนี่ยก็คือเหมือนอยู่ในทีมงานของ No เบลไพลส์เลยเพราะว่าคนนี้จะมีสิทธิ์ที่แบบตามตามทุกทุกระยะทุกอริยบทเลยเพื่อจะเก็บเหมือนเป็นเก็บภาพเก็บภาพทั้งหมดเป็นปศน่ะเออแต่นางเท่มากเนาะทีนี้เรามาดูนะว่าเฮ้ยเอกตัวละคร4ตัวเนี่ยแต่หลักๆก็คือศูนย์การก็จะอยู่ที่ที่ ที่คุณโจนน ะ, ะก็คือตัวภรรยาเรื่องของเรื่องก็คือในเรื่องเนี้ยมันจะมีสองเวอร์ชั่นช่วงที่เป็นหนุ่มสาวแต่ช่วงที่ที่แก่แล้วที่ไปรับรางวัลเนี่ยเ อ, อจริงๆแล้วเขาก็เป็นสามีเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วก็แฟนเนี่ยตอนนั้นก็คือเป็นนักศึกษายอยู่แล้วก็ปิ๊งกันนะแล้วตัวตัวตัวภรรยานี่ก็อยากจะเป็นนักเขียนมาก แล้วก็ไปฝันแล้วก็เขียนก็พยายามจะเขียนแต่ไม่เออคอมเมนต์ไปกต่ตอนนั้นก็เป็นอาจารย์เนี่ยเนาะแล้วจนพอแต่งงานกันเราก็รู้สึกเอ้ยงานของผู้หญิงนี้ดีจังเลยเนาะแล้วผู้หญิงก็อยากที่จะไปเป็นนักเขียนแล้วก็จะมีเหมือนเป็นรุ่นรุ่นใหญ่นักเขียนรุ่นใหญ่นักเขียนผู้หญิงบอกว่าฉันขอแนะนําเลยนะว่าอย่าเขียนเลอเขียนไปก็ไม่รุ่งเขียนไปก็ไม่มีใครมาภรรยาเหรอ แนนะําผู้หญิงนักเขียนรุ่นพี่อที่เป็นผู้หญิงนะแนะนําภรรยาแนะนําโจนเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเขียนหรอกเป็นนักเขียนผู้หญิงไม่มีใครอ่านมันเจ็บจี้เจ็บจี้เธอดูงานของฉันสิไม่มีใครเปิดเลยแต่พอเป็นนักเขียนชายปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของโลกของผู้ชายอ่ะที่แบบว่ากดทับในในในทุกทุก บรรยากาศของเรื่องไม่ว่าจะในครอบครัวหรือว่าเปิดฉากมาก็นะหรือว่าในงานประกาศรางวัลโนเบลฟลายในกระบวนการต่างๆมันจะมีแต่โลกของผู้ชายเท่านั้นเลยอย่างเช่นว่าอาโจรตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอฝ่ายผู้ชายก็จะมีแยกไปคุยกันแบบดูอะคาเดมิกนะดูเป็นนิชากานอะไรอย่างเงี้ยจะพาไปช็อปปิ้งจะเทคแคร์เดี๋ยวพาไปช็อปปิ้งไปดีใช่ไหฉันชอบนะเออ นี่ฉันแค่เจ้าคุยอะไครดามิกนั่นแหละเออก็แต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของแบบอชอบชอบก็ไปใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ชอบมาเออมันก็อีกเรื่องหนึ่งไงนั่นแหละก็ทําไมผู้หญิงจะคุยอะไครดามิกบ้างไม่ได้อะไรแบบนี้ทําไมผู้หญิงจะเข้าไปอยู่ในวงสนธนาไม่ได้มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงเธอไปชอปปิ้งทั้งทังที่จริงๆแล้วโจรเนี่ยก็อาจจะมีความสนใจมันมีเซนต์มากก็อ่านะเพราะฉะนั้นอันเรื่องของเรื่องก็คือว่า ไอ้ละไอ้นักขาวตัวนี้ก็เป็นคนคอยตามสกิดสก้าวอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วใครเป็นคนแขียนกันแน่ฉันรู้ในใน<อ> <ๆ S 1> นะฉันร<า>ู้ในในนะก็รู้ใจฉันฉ <ๆ S 2> ันสืบๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบว่าตามตื้อตลอดเวลาเลยแต่ก็เราเราไม่บอกว่าตอนท้ายของ เ, เรื่อ ง, องเป็นไรแต่ว่าในเรื่องคนก็จะแบบใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการเล่นของเกรงโครสเนี่ยคือในเรื่องรู้ทั้งรู้ว่า นะใครเป็นใครคือคนที่สมควรได้รับรางวัลอืฉันหรือเธอแล้วหน้ามันจะแบบผะ อ, อืดผะอมอ่ะหน้ามันจะเจ็บกดนะเล่นน้อยๆแบบว่าสุดๆเลยอะนะ่ะเนาะเพราะนั้นมันก็หน้ารุ่นเหมือนกันว่าเอ้จะจะได้ออสการ์ไหมได้ออสการ์แบบมินิมอลเออถ้า ถ้เคยชิงออสการ์นะเรื่อง Fatal Attraction ถ้าพูดถึงเกรนโคสต้องพูดถึงหนังเรื่องนี้ซึ่งป้าได้ดูด้วยตอนนั้นฉายเป็นในโรงสเตนอโลนที่ชื่อชื่อโรงหนังฮอลลีวูดไม่รู้เคยได้ยินด้วย่าอ อ, อยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมเมืองไทย <laughs> นั่นแหละเออ Fatal Attraction เนี่ยเกรนโคสเนี่ยเล่นเป็นแบบเหมือนเป็นเมียน้อยอะ่ะ oh. แต่ว่าตามไล่อารวาสเมียหลวงผ oh. ู้ลานราน่ า, นนาดูอันนี้คือเล่นใหญ่เล่นโตเล่นแบบเป็นโรคจิต ด, ด้วยอะ่ะน่า ก, กลัวมาก uh. นะ เรื่องนี้ก็ได้ชิงแต่ไม่ได้เรามาดูซิว่าเล่นน้อยแล้วจะได้ให้ืเปล่าเล่นเยอะก็ไม่ได้เล่นน้อยก็รุ่นดูเล่นน้อยอีกเรื่องก็เรื่องเออร์เอาเบิร์ตน็อปนะ25งพรหไม่เคยได้ยินเลยนะเออหนังหนังเรื่องนี้ไม่ได้ไม่น่าจะไม่ได้ขายในโรงอ่ะแต่ว่ามีเป็นแผ่นแล้วก็อันนี้เล่นเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคนยักษ์โจรอะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงจะหางานไม่ได้ก็เลยปลอมตัวเป็นผู้ชายแล้วไปเป็นบัตเลอร์ออื แล้วก็มีผู้หญิงจริงๆ อ, อมาชอบด้วย oh. โอ้โหเล่นดีมากแต่เรื่องนี้ไม่ไม่ได้ชิงอะไระน ะ, ะแต่ว่าน่านสนใจมากเพราะนั้นหนังเรื่องเนี้นะอันดับแรกคุณไปดูเกรนคอสค่ะคุมค้มนัะเรื่องก็ไปไปเรื่อยๆทีนี้มันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือตากล้องสาวสวยที่ ท, ที่ที่ป้าพูดเอ้ยคนนี้มันจะมีประเด็นอะไรบ้างเนื่องจากว่าโจเซฟเนี่ยเป็นคุณเจ้าชู้ คือเจ้าชู้มาตลอดอเจ้าชู้มาตลอดชีวิตจะมีคนน au, ู้นคนนี้คนนั้นแล้วโจนก็จะยอ ม, อมยอมมาโดยตลอดเพราะว่ารักสามีอมยอมทําทุกอย่างเลยแต่ในเรื่องเนี้ยเออแล้วเวลาเขาจะจีบใคร เ, เนื่องจากว่าเขาดังจากจากวรรณกรรมเรื่องนัดออืจริงๆเขาจีบแฟนเขาด้วยการเขียนเขียนชื่อเขียนอะไรเนี่ยบนถั่ววานัดเปลือกถั่ววานัดแล้วก็ยื่นให้ีึกว่าซื้อถั่วให้กินใกล้เขียงกัน อันนี้เขาเขียนชื่อให้เพราะเพราะพ อ, พ อ, พอมเม็ดวอลนัตมันต่อเขาก็เลยเขียนไอ้นุ่นไอ้นีใช้คําจีบได้นะวันวันวันหลังคุณลองรีคเควสต์ทัววอลนัตคุณอาจจะได้มีคําคมอะไรก็ได้นะในเรื่องในเรื่องนี้นะเขาก็อเขาพระเอกเนี่ยโจเซฟนะ่ะเขาก็เขียนจีบโจนตั้งแต่สาวๆแล้วตั้งแต่นุ่มๆสาวๆกันเลยก็เขียนเพราะ เขาจะมีการเก็บถั่วเนี่ยไว้แต่จริงๆคืออะไรวะปรากฏว่าเจ้าโจเซสเนี่ยชอบใครก็เขียนไก่ถั่วน่ยอยู่เรื่อยรวมทั้งจะให้ตากร้องคนนี้ด้วยตากร้องคนสวยนี้จีบนางนั้นจีบด้วยเหมือนกันทั้งทั้งที่นี่แก่แบบเป็นไม่ใช่แค่พ่ออะเป็นเออเป็นรเป็นรุ่นพ่อเลย่ะเป็นรุ่นพ่อเนาะเป็นลุงเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอะเนาะแต่คนเนี้ปฏิเสธอ ฉ, ฉันไม่ได้แบบว่าจะคลั่งคนเก่งมากมายขนาดนั้นก็ <c oughs> แล้วก็แบบแม่ภรรยาเขาก็มาด้วย <c oughs> จะ จ, จะอะไรกันน <c oughs> กันหนาแบบว่ามันไม่ใช่เรื่องอ่ะเพราะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ปฏิเสธ คือเหมือนเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยที่มันที่ไม่ยอมอ่ะที่ไม่ยอมที่แบบมีความคิดความหมานของตัวเองมีจุดยืนรู้อะไรงเงี้ต่องการนาระถูกหนึ่งเป็นคนรุ่นใหม่และบวกกับอาชีพซึ่งมันมันมันค่อนข้างจะสะท้อนความใหม่เช่นคุณมีกล้องถ่ายรูปอยู่ในมือคุณมีอำนาจในการที่จะถ่ายหรือว่าซอกแซ่กในใช่กับเหมือนเหมือนเป็นเทคโนโลยีอ่ะในขณะที่ที่ที่โจรเนี่ยมีความคิดแต่ว่าอาจจะแบบ รุ่นเก่าซึ่งยอมมาเดินตลอดก็ได้แต่สุดท้ายไม่รอกว่า <c oughs> เหตุการณ์จะเป็นยงไงต่อไปโ อ, อ้โห <c oughs> มัน <c oughs> มีการทั้งยอมแล้วไม่ยอมยอมแล้วไม่ยอมยอมแล้วไม่ยอม่างเงี้ยหยุดตลอดเวลาเลยนะเพราะนั้นเรื่องนี้มวเหล่าเฟมินิสต์ต้องดูไหมก็ดูก็ดี ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ดูก็ได้สิดูก็ดีไม่ตา ม, ม ด, าม ด, มดูอ่ะเดี๋ยวไปดูเ <c oughs> เป็นเปเมนเสเหมือนกันนี่เราอ่านรีวิวนะจะมีแบบเหมือนเหมือนเด็กๆอ่ะวัยรุ่นหนุ่ม ส, สาวเนี่ยเขาก็ดู <c oughs> เขาบอกว่านะก่อนดูนอนหลับให้เต็มที่ก่อนนะ <c oughs> แล้วค่อยมาดู <c oughs> ของง่วงเด็กๆของง่วงแต่ป้าน่ะดูด้วยแผ่บอกตั้งอกตั้งแต่นี้หลับเลใช่ใช่ช่แต่แต่แต่หนุ่มๆสาวๆบางคนเขาเขาจะเข้าบอกว่ามันง่วงมันมันเนิบไปมันช้าไปอะไรเงี้ยถ้านี่เนิบแล้วเราไปดูหนังเมื่อเดิงมันเนิบเงอบว่านี้เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องโกลก็เนิบ เรื่องเกิลป้าดูแล้วนี่ดูแล้วเกิลนะเกิลเกิลที่เป็นนักเต้นบอลเล่ที่เป็นผู้ชายเป็นนักเต้นบอลเล่ไงอันนั้นเนิบกว่าอ๋อนั้นเนิบกว่าอันนี้เนิบกว่าอันนี้ยุโรปยุโรปเลยเรื่องเกิลเนี่ยยุโรปมากเนิบกว่าเยอะท่านน้องๆที่บอกว่าเดูเแต่วัยแล้วต้องนอนเต็มที่นะดูเกหลับน้องเอาผ้าห่มไปดูด้วยาจะดูเรองเกิลมอนผ้าห่มพร้อมเตี่ยวให้พร้อมหลับอ่ะ ก่อนสำหรับสัปดาห์นี้นะไปดูป้ามานำเสนอเรื่อง The Wife เมียโลกไม่จำสรุปจำหรือไม่จำไม่รู้นะถ้าใครอยากถ้าใครอยากจะรู้ตอนจบนะคงต้องไปหาดูกันเอาเองก่อนสำหรับสัปดาห์นี้นะเราสองคนรายการ Cinema Cafe ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Cinema Cafe บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซ i n e m a าเฟ e